ในทางจนะแผ่วนี่ก็ผายคนรนะ้มทับทางขวางทานะงเนี่ยลมขวางเนะี่ยนอกจากร่ายบาัตแบบกดไปก็คลองอยู่วอนมันทัดเจนจริ่นะคําฝันจนะึงจไม่ลืมนะที่ไหมทุกวันเนี่ยคำฝันที่ใช้เป็นกติมันไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนานฝันกับฝันเป็นมงคลฝันก็บพราม นอกจากทางติดตันหมดแล้วกับสองขาาทางมันมันก็ตันหมดตันด้วยความโรภทัดป่าแล้วอืก็ไผ่ล้มทับทางขวางทางที่หนึ่งเราจะไปมองหาท้างไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนพารันเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มมีทางแยก ในกำฝันนั่นชัดอยู่ในรังทวติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจน้ำมองดูหาช่องทางแต่ไม่มีช่องเลยพาจะหลวมตัวนี่กำฝันคนนี้อมพอจะไปได้พอจะหลวมบาทเรารวมหัวเรามี่พอหัวมุดเข้าไปนี้ได้แล้วก็เออดึงบาทไปนหนึจับสายบาดดึ ง, งปเงินไปนี้ได้อ อ, อกไปง่ายแต่บางคนว่าเปลืองใช่ถ้าอยู่วนออกนะ เกิดเเปลี่ทำ น, นั้นเหมือนอย่างมากทานจริงๆทา น, น, า น, นกระทั่องอติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้มอนมันดว่วนเฉพาะคนหนึ่งคนนั้นไม่ม่จะมากกว่านั้นไป ย, ย้ำบืนกันบืนไปบื้นไปจนปเี้ยงนอนโอ้เบืนไปจนพ้นได้ ขก้นได้แล้วก่จับเอาสายบาดดึงบาดมาตามหลังของ ข, องขอดใสไปข้างหน้านนเหมือนกับเราต้องทําเวลาดีๆไม่ได้หลับอเนี่ยความฝันนี่ก็แฝงไปหมดมันเหมือนเราต้องทำโดยสุดมัน้อนที่ไม่หลับมันเหมือนมันรอดไปเวลาไม่หลับเนี่ยขดนั้นก็ใส่ปข้างหน้าก่อนแล้วกันเราก็ อ, อกถูกอู่แล้วมันเลย้านไม่ใช่านนะมันอะไรอะไรไเอ่อยเกียกบตกาไปล้วอตัวของพ้นไปแล้วเพราะบาบดึงบานั้ดเลยสายบาบมาด้วยพอพ้นไปแล้ว ก, ก่อนมือไปจับสายบาบได้ดึงมาดึงมาช่องนั้นน่ยดึงมาได้หลุดอ้าพ้นกิ่นไปได้แล้วมอง เข้างหลังมันเป็นมันเหมือนกับเป็นเป็นช่องใหลวมตัวเราเทา่านี้เองมันก็แปลกแต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำอุดนน้ำขวดเองไม่ปรากฏนะนม่ปรากฏในค้ามฝันปรากฏแต่ว่ามันมันมันตายแบบนั้นมีนพอพต้นนั้นไปประมาณสักหนึ่งเส้นยี่สวันีบยประมาณยี่วันปรามันน้ำ โอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิรว่ามองอะไรไม่เห็นเลยเหมือนเราไปดูทะเลอ่ะมันจะเห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบนี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำมันติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปไหนมุดไปจากควานึกแค่นั้นมองมันมันเวิง์มว่ามองไม่นานน่ะเหมือนกับ เเรื่องมกับมิดเป็นอไะไเป็นขึ้นเือด้ทิ้งออกถึงเขียนนดหน่อยดินนี ห, า ห, า ห, าหาันเดี๋ยวเรือก็อมา <ừ. S 1> เพราะเรือนไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคาเดียเรือก็อมาถึงพอดีแล้วก็พงรับลงเรือเหมือนกับไม่ได้พูดกับคนเรือว่า ว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันมาจะไปนน่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะมีอยู่โน่นเกาะอยู่กลางน้ํากลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็ไปไปโน่นพอดีเรือมาจอดคุ๊บนั้นเราก็หลงเลยเลื่อนเลยรือแบบพาบึงเลยนะอืดูไม่ได้จําไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอก แต่ทาไมเรือพาไปเลยตรงนั้นมะคนเยอที่ขับเรือบึงก็คำฝันก็เร็วนี่นาไปในนั้นก็มีมีกระสับมีลงมีมรสุงอะไรที่จะมาพัดน้ำก็ะทุกกระเทินกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรก็มีมีพุ่งพุ่งไม่นาน ไปถึงเกาะนั่นมันเป็นความฝันมัไม่นานมันเป็นเครื่องเทียบเที่ยงออกถึงนี่ปั๊บๆเราก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือสิไม่ทราบว่าเรือไปไหนอีกเนี่ยเราลงจากเรือก็พุ๊ขึ้นเลยแล้วเรือมันมาสั่ไปไหนมาเนี่ยสนใจเคลื่อนไปขึ้นไปขึ้นไปเราจะขึ้นไปขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขานึ่งนะเกาะเกาะนั้นมันจะเป็นเขาด้วยนะ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนไ ป, ไปไเห็นพแม่รูอาจารย์นั่งบนเตียงบนแค่ไม่ใช่เตียงเป็นแค่เนี่ยถักเหมือ น, นฟ่างตำหมากจอกจักนี่ะอําไมถึงมาได้ว่างเงิ น, น่ฮะฮ้มาอะไร ม, มาได้โอ้่ข้ามเรือเอามาด้วยเรือแล้วข้ามเรือแค่นั้นพูดมาอ้าวนั้นตําหมากหน่ะ มาเยื่นตะบันหมัาแ ล, แล้วก็ตากกําจกสองสามจกเลยรูรู้ตัวมันโมโหมันฟังงนงเหมือนไม่ได้เรือสักโมโหอนเวลาิ่เหมือนไี่ ไ, ได้หรือเพียงท่านยื่นตะบันห ม, ง แ, ม, ง, ม ง, งแล้วตําหมักสองสามกเท่านันลแล้วตื่นอ้าแต่แล้วก็มากรจะสำเร็จแต่ะวันนนอนแสดงถึความจะข้ามวัต มันตัดทั้งสารข้ามหาสมุทรมหานิ่งเอามามหาสมุทรกวดเทียบกับมหาสมุทรมหานิ่งที่โลกดุ่มหลงกันจมกันในมหาสมุทรมหาสมุทรมหาเนิ่งข้ามไปไม่ได้เราคิดในใจเรานี่จะก็ยินได้พอปินงข้ามาออ มุ่งเลยมีโอกาสเมื่อ้วก็จะกาัเรียนเล่าถวายพ่อแม่พิมพ์การกวันเ้า ว, วันหลังนี้เนะ่แหละคือวันหลังไม่ใชเช้าคื อ, ค อ, คอตอนบนเย็นวันหลังปัดกวาดเสร็จแล้วขึว้นป่าทา่านมีกันธรรมดาธรรมะหมดเลเล่าเรื่องนี้ถวายท่า น, ท, านท่านท่านทรรนายตึงนะเหมือนกับความที่เราคิดเลย พอเราเล่ามิตวากันแลเออแต่บางต้นมีลําบากนะสมานะเอาว้ดีนะถน wang มนะะบางต้นนี้ก็เกี่ยวจะตาจะเป็นจะตายนะแต่จะถอยนะหมูบอกแล้วหม่มีบอกแล้วทัเจึแล้วนะ้อนถน wang นี่นะบางขั้นเริ่มแรงนี้ต้องเอาให้จริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตางตาเอามันรอดได้ก็พายมันถน w น่นะก็พายคือทิ้จิตคือทิปสประ เคื่อขีดขวางนี่เองเห็นไหเดปัญหาอาชญาเป็นขวบเป็นหนามมันขีดขวางทางเดินเราทรงเดินเราเดินมันคือความเพีย้ยนเราพยายามรอดแต่ชีวความพยายามควา ม, าม เ, าเมมพเี้นนนนะ ย, น, น, น, รรนะยขนของเรามันเองเห็นไหมพอพ้นไปนั้นแล้สะดวกกันที่ไหนนะเห็นว่างั้นนะเนี่ยมาติดตรงควาต้นเนี่ยอาให้ดีหน่าจริงๆด้วย่ะอย่างท่านว่าเพราะฉะนั้นขีดขวางกำลังเสื่อมไม่เป็นทุก เหมือนกับปูนกับไฟพยายามเท่าไหร่เป็นปีนิจพอเสือมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างปีนั้นทำไม่ขึ้นเลยยังต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่นี่ตอนนี้ลำบากเลยจะเป็นจะตายตอนเยือวนอดเขาไฟอันนี้การจิตสมด้วย นันก็เรื่องของเพียงมันก็เหมือนสาโครงขึ้นกำบวกยิ่งกิ้งทับหัวเราลงไปแต่มันทับหมอือยู่ถ้าไม่ตายอย่างนั้นพออารมณ์สลายัปกิ่งไปเรากลับมาอีกปิ้งอีกกาลัง้องปิ่งทับหัวเราลงไปอีกลุกได้ดูฟื้นจากสลดไปกิ่งมันมาอีกอย่างนั้น น, นี่มันตอนนี้มันได้มันเข้ากันจริงนะ ถ้าบว่าเข้ากันเลยปั๊บกัมีอะนพอหลังจากนั้นแล้วิมันก็เสมอไปด้วยอย่างนี้เ น, นี่ยมันถูงเพราะตั้งจิตนี่ใน้รกมีจิตด้จิตคือจิตอนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นนะแบบว่าตลอดรุมงตลอดลุมมันก็ยิ่งแน่ถึงเพืนก็ต้องถึงขัน้นของจิตชัดเจนเลยว่าเออจุดนี้ไม่เสื่อมนอนะั่นอรหันต์ิมพ์นะมันแน่แล้วน ะ, นะต้นมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมได้ยังไ ให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยไม่รู้เลยถึงพักไม่กำเริบในทัานนี้นก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกแล้วท่ามถอนน ม, มาเป็นปแีแล้วเราได้รับความทุกข์ความทรมาร์เพราะการทุกขมันรู้ด้วยความเสื่อมเป็นเหตุต้นเห ต, เเหตุมันเป็นครูอย่างเอกถึงยังไงมันก็ไม่แน่ใจ ตายสุดถึง จ, จะเสื่อมคนนี้ขมให้ตายซะตลอถึงจะเสือมได้ทำไมตายแล้วเสือมไม่ได้เนะพราะมันเข็ดมีปุ๋ยทั้ ง, ง น, นั้นมีต่อจากนั้นแต่ละคนก็สมมือสมมือสมาธิจะหนุนแล้วก็หนไปเลย่อยขั้นปัญญาก็นั่นข้งางมหาสมุทนยงไปเกาะนั่นกันนั้นหมุนติว้วอะไรป มหาเศรมาปัญมีเศรติีปันญาทั้งนั้นหนึ่ติวทั้งวันทั้งคือไปเองเลยก็เหมือนอย่างเรือพาไปพอลงปั๊บในเรือก็พาไปเองเราจิตเราหมึ่งถึงมึ่งไปโน่นก็ไม่ต้องบอกคนภายเรือพายเรือมันก็เป็นพุ่มเห้าไปเลยนะมันไม่ไม่ใช่เรือจักรยดนนื้อแต่วาพายมันก็ไม่มันก็ไม่ใถ่มันอะไรก็ไม่รู้เน่ะมันพูดไม่ถูกเลยนีย่นี่นะมันไม่ใช่ มันพายเรือไปเยอะเท่าแบบเหมือนเข้าพายข้าวเกี๊ยวกันไม่ใช่นะนันเป็นยังไง mm hmm. มันเรือมาพาพุ่งพุ่ ง, งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั้นไม่ทราบเขาขับเขาไม่ขับมันพอเป็นเครื่องหมายเทียบเท่าในนี้เลกนั่นก็พุ่งพุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรควลาข้ามมหาสมุทรไปหานะเกาะนั่นต้นไม้ข้างนอกสติบัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไป นั่นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็น ล, กล่าชงมันไปเลยสมองก็ไปเรื่อยๆแต่นั่งจะเป็นปัญญาตีตีตีก้อมนีนนไมไม้มีประสัดตรงไหนปัญญามันเป็นแต่เียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกําลังของปัญญาไปตามเรื่องกนนาลังของจิตเหลวมันมากน้อยปัญญาผิด ข, ขึ้นมาผิดเหลือก็ค่อยมหมดไปหมดไป เรื่องหนึ่งที่เวลาเราจะออกปฏิบัติเราตั้งปัจจาริการอยู่ที่ว่าบุญว่านเนี่ยเราที่ฐานมันเป็นสามพ่อทีผู้ใหญ่ทั้งนอนไม่ให้ออกเรานั่งอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยไถยธนั้นไม่ออกให้ตายจะดีกว่าแต่เราไม่ตอบผู้ใพญ่ผู้ใหญ่จะต้งเด็ดตัวเองต้องถึงหัวดูวยเพาไม่ถึงไมทันท่านรู้สึกท่างไม่ตาผมมากมจะพยายามว่าไว้จะให้ผมออก วีกานั้นท่านไปตางจังหวัดผมได้โอกาสพรลาสมเด็จผมเดินหายวงกิจโศวันตอนนั้นท่านเป็นหน้ากวีสมเด็จเราหายวงเอาวนทานผมก็ลาสมเด็จได้ก่อนที่จะไปนี่เรื่องวิถฐานท่านจะวิถฐานที่สิ่ว่าว้พระสมมติร้อนแล้วตั้งปัจจัยวิถฐานขอเบรจมนดาน ข้อแรกคือว่าถ้ า, าว่าเราอดไปแล้วจะได้สำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้นิดนิดนิดสดยอย่างอัศจรรย์แสดงอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้ถึงหนให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นระวังความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเรามุ่งอย่างอื่ ว่เาเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังก็คือหมายถึงภูมิปันด้วยระหว่างขอแสดงความอัศจรรย์ขึ้นหนึ่งมีเป็นอันดับหนึ่งหากว่าได้ออกคืเราได้ออกด้วยเราต้องเด็กความหมายด้วยให้ฝันอย่าอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ผูกมัดมากแต่ยังไงมันก็จงออก ออกแล้วมันสําเร็จตามความมุ่งหมายก็คอใหฝันลงไปแบบนั้นฝันเป็นก้อนเทียงว่าออกไปแล้วก็ถือถลายไม่ได้เรื่องในลาวทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ก็ให้แสดงในสามวาระสามประโยชน์ น, นั่งพิจารณาดูนในทางไห น, น, น, น, น, น, นก็เอ า, อาอนู้วพิจารณาก็เอาพื้นดูทางความฝันก็ก็เอาเพราะเราภาวนาอยู่ น, นี่ ปะเด็นคือว่านาล้าั น, นหลับไปมันก็ต้องหกชั่มงด้วันหลับไปนึกฝันโอ้โหหออ๊อกนคนหรหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนคนหรหลวงหลวงอะไรกันไม่รู้ละมองที่สุด้ายต า, า, าล อ, อกหนึ่งคือเมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุดส า, ายตาก็ตาหนุน้วหองก็มุบนนะมองลงไป โอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับว่าเมืองไทยเลยทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นำมันเป็นแผ่นดินไทยทั้งแผ่นทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงนั้นทางนั้นแล้วมองไปนี่โอ้โอยู่ติดรามบ้านช่องมันเป็นเป็นหอปราสาทไงมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรือนยังติดตาใจจนกระทั่งทุกวันมองความสง่าผ่าเผยความ มีสีมีแสงเรื่องเป็นพ่อพ่อพ่อโภมเหมือนว่าลูกตาอะไรนี่มันมันจะแตกไปนั่นห<ม>นุนหนุน่ะมันคือแสงสว่างความแผ่วๆของอของเมืองนั่นแหล ะ, อะมองไปเหมือนกับคําทองคําทั้งแข่งเป็นลักษณะเหมือนทองคหตกตึกดรามตึกรามบ้นฟองเหนือนเป็นเหมือนทองคำธรรมาชาติแล้วยัง แสงกระจายกมานเหมือนไฟฉายเลยหาะรอบทุกขนาดนั้นหาะรอบทึงสามรอบนะเหาะรอบปรกฏเลยใหญ่เป็นกว้างเหอะรอบถึงสามรอบแล้วก็หลบพอลงถึงพื้นก็อพอดีรู้งสุดตัวโอ้โหก็ะยิบเล้สาเร็จทั้อัศจรรย์มันงงั้นด้วยแล้วเวลาเราหาะว่าแบนี้กับตัวปลิวไปเลยไม่ได้มีเป็นอะไรปิว นหนักเป็นกดเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นน้าําหกขึ้นยากผมไม่เห็นมีผมแสดงว่าออกยากออกไปแล้วไม่เลยสมความไม่หมายนี่นพอเหาะขึ้นไปก็หาะสะดวกสบายตัวลอยไปเลยนะครับปเป็นเมืองนนะครหัวงอันนั้นเป็นป น, นครอุตสาหกรรเหมือนนะครเหมือนสวนนนน่างเหือนคุณยังไง แน่คราวนี้แน่แน่ออกแล้วยังไงต้องสำเร็จพอถึงช้ามาก็เข้าลาสาเร็จทั้งกันเลยให้เลยเบิ่งท่านฮะออกมาผมเด็กตามอยู่แล้วท่านจะไปวบวนขึ้นขึ้นมามาทางเราไป็นภาพอยู่ที่จักาดอำเภอจักราดจังหวัดโคราชนี่แหละ มีสั่งว่านั้นท่านจะมาให้มารอเรใารรให้มารอกันที่สถานีจากกาักราท่านจะเดินบวนมาตอนออกพรรษาเนี่ยใ่ตอนออกพรรษาออกพรรษาได้ไหมตอนแรกท่านเจนีมา ย, ยมาบอกวันให้กลับไปกรงุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จำพรรษาไปออกพรรษาแล้วท่านา ทีนี้ท่านจะเอ า, ากระดูกมันมนั่นมันนี่เราจะมาต่พร้อมเรอลยมาไม่ได้ไม่ได้มามยไม่ได้ามต้องคำที่ต้องคำทีพูดยังไม่สักกีออ่ประโยคเราไม่ตอบสักคำพ อ, อดีรถไฟก็เพื่อนจากสถานีก็เราก็ตอดลงพ้นตัวแบบเดบวรอตั ว, ว, ตวก็ใส่ลงไปพลาดไปแ้วเขไม่นะาเขาเปิดนี้มาก็ไม่รูกจัง พูดทั้งนนนีนี่นีอาศัการมันเป็นไปะย่งนั้นนี้ไปทักอไปอยู่ทางห้องทายปรามาณนี้อันนี้กหนึ่งอยู่นี่นี้นี่อาศัยการแต่นี่มันเกี่ยวกับเรื่องการสังสอนประชาชนต่าง ไม่เกี่ยวัเราโด้เฉเกี่ยวกับเรืการรร ง, ง, งสองสัมปชะเองตากฏว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทุบโอหฟังประทับ่เป็นแท่นนีเนเน่เป็นอีกภากหนึ่งสูงขนาดพรลาแล้วจากพื้นลงไปกวา้างกว้า เราก็หอะขึ้นไปขึนไปสูงน้ำท่านสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุตูปูเป็นพรกัดจิพอขึ้นไปแล้วกางพระพุทธรูปทองคาทั้งองค์ทั้งองค์เลี้งอลามองเท่าขนองเท่าคนองตระหเป็นเป็นพระพุทธรูปทองคาทั้งนั้นไปแล้วเป็น ส่งท่านดื่มน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรจนคือเป็นครื่องบูชาใช่แต่เขาว่าผมน้ำพระหนี่แต่มันก็มันก็รอบหมดนะที่ผสมน้ำพระพุทธเจ้าครเพราะมันเป็นไม น, นีน้มันรอบมันมันทั่วถึงโดยรวดเลียไม่พอหลังยังน้าน้ำนะ้วก็ออก จากนั่นตปก็มีประชาชนแน่นหมดอาจจากนั่นไปพักหนึ่ลงต่ำไปประมาณักมันต่ำกวกันประมาณสักกว่ากว่าเราก็ลงจากพักนั้นลงไปที่นี่เวลาต่อพรมน้มํามนให้ประชาชนตัน้ำมนกับตัวนี้มันออกจากนี่มือออกจากฟานมือพอเรามือเราสารนะ้ํำแต่กระจายไปเลยแต่กระจายนี้ทั่วถึงอย่างรวดเลยระชาติมันดัง นันมาเกี่ยวดมแม่มแม่มาข้างล่างเรากลังตอนนั้นเลยังหอะอยู่นั้นเราเรเราไม่หนึ่เหือประชา์ชนนั่งเหมือนเราเหอะอยู่บนปราชญชนนั่ง่ายมือบนีัอ อ, อาากออกน้ำอะไรจะไปใหเน้อจะอกลับเรอเปล่แม่โอ้เสตุลานนี่อยู่ตรงปากซะก่อนมีเสตุลานนี่วันนีะนะ้จะกลับ ลอยอยู่น่แหละประมาณนั้นลอยอยู่นี่หมายจมีลอยอยู่บ้านพ่อแม่พ่อสมตอนรถน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็ห่ลงมาเขาพีอแม่ปูเสือไว้เราวตรงนี้หนุ่ยพ่ออุ้มมันนั่งรอยอย่าง เราหพอลงไปหน้าบ้านเราเป็นเป็นนั่งมันก็ยศสอนโยมแม่อะไรๆนี่แต่ไม่ได้เคยตอนนี้มันสุดตัวจะมาพิจนาฟ้อตามมือมือพระหลวงแม่เขาลองทําแม่เอาโยนแม่บวดนี้จากแม่นึ่นี่ยเกี่ยวพันกันอย่างนีพนาผมก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจประทานอำนาจของมิตรที่มันเป็นเครื่องเทียบเทียมมันรู้นมันเป็นเรื่องอะไรกับเราเกี่ยวข้องอะไ มันมีนะอ้หนนาตอนแรกที่ท่าถูกรจะยืนเขาอกมเขาลถ้วยเกียที่่่เกียเรื่องราวสยนแม่เราเรามาบวชัง่นั้เ็ที่นี่น่านประาน ผม น, นัในใน่งไปเลยผมไม่เกี่ยวกันต่างสอนประชาธิปไตยให้เราเข้าใจส่วนหนึ่งผมนัําผมนั่งพูดถึถถถถงรูปนงายเราเราไม่พูดกันอย่างนี้นิดมันก็แปลกฉะนั้นก็ลําบากการปฏิบททัติของเราเราปฏิบัติลําบากถึงมากนันอาจจะพอดีกันกับเราถ้าว่ามันไม่ลําบากมันก็จะขี้เกียจ มันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลําบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันมันต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากอะไรมันยิ่งฟิดตัวขึนรับกันนี่มันก็แปลกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นกล้าพูดว่าคนเรานี่ไม่ได้มุ่อยู่ตลอดเวลานาเมื่อถึงค่าวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดถ้วยตัวเองได้นั่นหลับเวลานั่นมันฉลาดได้ มีอาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอตายิตนนาโถไม่สนใจคิดมันสวลางพึ่งผู้อยู่เรืยตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมาพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวดต่อพึ่งครูพึ่งอาจารย์มคิดว่าเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองราเคนมีความลาบากลบนอะไรแล้วทั้งหมดอบรมังสอนมเยอะทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยไคิด เวลาอดปฏิลังพัตงตนเองนี่เพราะความตั้งใจอะไรเพราะไม่ทําอะไรว่าไม่ดื้อเรื่งวิเิยะนี่ผ่านเข้ามาเรื่อยข้าศึกมันผ่านเข้ามาเรื่อยเหรอทั้งตัวโดยเข้ามาหาจะทําบันปีมันได้เลยงานเดี๋มันจะผลิตอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันวิญต่อสู้ีวิริยะต้องมีอาวุธรติผลิตขึ้นมาปัญญาผลิตขึ้นมาผิดขึ้นมาเรื่อย มันก็ทำไงมีแต่เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นทิ้งทัดเก่นในตัวมีนิสัยเราเป็นองนั้นมันมกจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวความสะดวกสบายเวลาพิจารณานั้นเอาจิงออกสั่ ง, เ, ง เ, เป็นก็เป็นตาย้วตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาเป็นกรอบเป็นมุมนั่นที่ดูที่อย่างทุกขเวทนามันครอบในเวลานั่งมากเป็นนั่งตลอดรุ่มมันของเล่นเมื่อไห่เรามีที่ไทย เพราว่าไทยเก่งเราไม่มันจะได้รู้ม่านั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกรทังตลอดรุ่งเป็นเวลาที่สามที่สี่ชั่วโมงบางวันถกงจะมาถึงเวลาริดาบานถึงจะออกออกก็ปุ๊บป่าก็โดดไปเลยพ่ออยู่กับมกับเพื่อนทางดีคนเดียวมันยังไม่ออกอีกมันจะอี่ชั่วโมงนึงไม่รู้นะทีนี้มีเกี่ยวกับคาอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยกันบ้านบ้านน้ำมนต์ในพานกักยาณิานไม่พัก จมัดไม่นอนกลางกาวันหนึ่งในสปนสามทป็นสามเดืเว้นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดดว่ากลางวันจะพวันนั้นา น, นันนอ ก, กนั้นไม่เหนพักความแตกจิงบังคับองของต เ, เวเอความเปลี่ยนงจริงเวลาจนกวาไม่มีผู้ที่จะใส่ จ, ใ จ, จะถามนั่นแหละปัญญามันออกตรนั้นจนกว่านี้ ทุกเวทนาก็เข้ามาครอบเข้ามาจิตจะเกิดความวุงนวานวุ่นวายไปไหนตามกันเอากันเอาถึงทั้งจะสู้ทุกข์มาได้ทั้งจิตกรวนกระ ว, วายทุกเวทนานเกิดขึ้นในขันจิตก็วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไตหัดฝึกสองหน้าเลยทุกเวทนามนมากเท่าไหร่จิตมันก็กเพื่องนี่มันดิ้น ม, มันหาทางออกอแล้วให้ออก แบบโลกออกกันออหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์เข้าไปเราหาทางออกแบบทำนั่งแบบเพน่มส<น>ติปัญญาทุกข์มากอะไรมันยิ่งหมุนขี่ี่ีเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงให้ได้ทาไม่รู้เอาตายมาถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ําอืม ทางกันทา ง, ทางถอยลหลังไม่มีเบอร์ข้างหน้าไว้หลังตัดน้ําจุกทางด้วยนหลัถอยหลังอะไรตอนพุดกันหนาหลังหลาข้นหน่ยข้นมาเทียบเทียมเหตุผลข้าหน้ า, นนนนนานข้าลงหลังก็พอรอบได้แล้วมันก็ลงนั่นเนี่ยคุณถึงประจับเวลาจิพิจารณ า, าพูกคุวกนากายบอกพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเมื่อนหลังหลังั้งเป็นต้น เวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามั น, าา น, นมีรูปลักอณะยงไงการอาการงรนกายส่นต่างมีรูปลักะยงไงจิตเป็นยังไงสามอย่างถ้าทุกอย่างนั้นมันก็รวมตัวสงบปล่อยกันเลยน่าสองสัจอืมปัญญาเวสมาปัญญ า, า, าเวทนาก้า จิตจกับฟุ้งซ่านบางคราวก็โค้นเลยเห็นผลตรนี้ท่านคิดหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอกความสงบหยุดที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถานมากคือโยมบางทีจิตป็นฟุ้มซ่านนุกเอากันตรงนั้นในขนาดนั้นทั้งที่ทุกเรื่องนะเอาเป็นจิตหมอกหยุก็หาอาถาน แต่ว่าตอนนี้ใส่ตนเป็นว่าใส่ยี่เป็นี้าใส่เราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากกับบ้างทุกคนเนี่ยเพราะขี้เหร่มันไม่เคยพาทำในไทยง่ายมันก็ต้องยากของทุกคนฝ่ามันเป็นก็เป็นตายตายตั้งให้ดีปิดอย่าหวั่นอย่าไว้อย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแก่สามมีคุณค่าอะไรนะ นอกจากใจดวงนีง้ที่แจ้เด็ดออกได้มากน้อยจ ะ, สะแสดงคุณค่าออกมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาเจ้ามีอะไรเสมอเหมือนจิตดวงนี้เลยนี่เป็นของที่ผ่านมากเพราะฉะนั้นมันถึงจะปล่อยสิ่งทั้งหลายเพราะว่ามีอะไรเหมือนจิตมันพิจารณาลงไปชั้นๆแล้วมันก็ปล่อยป่อยเพราะมันสู้อันนี้ไม่น่า ขึ้ไปข้างหน้าก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเลื่อยกวก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเยื่อยๆเหมือนการจิตก็ก้าวไปนี่ก้าวไปต่อยข้างหลังไปเลยที่จะนาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยไปปล่อยเรื่อยจ่ตเปล่อยขาเข้าใจมันไม่ใช่สาระอะไรเรามาสําคัญไม่ใช่เพมาะน่เราจะเอาม้ทั้งแก่นไปหลงออกกับพี่มันเสียกลายเป็นแก่น ก็ไม่ถากไม่อมก็ัม่หมดไปเลยถากมันอมไปหมดเหลือแต่เกล็ดนวอืมีความทุกข์เลยความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัตะที่หมุนเกิดหมุนตายเยนไปเย็นมาอเกิดพบไหนชาติชาติใดมันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นพุนกําเนิดของภพชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นมันเป็นวัฏฏะ วัตถะไม่มีทุกข์ได้หรือนอกจากวิวัตถะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยเราพบได้ชาติไดกัตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในพบนั้นนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นมันกินข้าวครับผสมกับแปรกับรานั่นเองมันจะไปเละอร่อยที่ไหนอ น, นี้เดี๋ยวข้าวล้วนๆดีจะให้ แต่ีัทําอยู่ในนั้น อ, อลําบากมากแต่เราไม่เคยคิดทอดคิดถอยแค่อกแค่ใจยนนั่วอะไรตั้งอยู่ตัวเองได้นอกจากไดิฉันมมันทําได้คือเดี๋ยวนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้ไทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยเป็น่นั่งตลอดรุ่ง น, นี้มันไม่ใช่ น, นั่งเฉยๆอยู่เฉยๆนะมันต้อง ข้าวคืนสิบคืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเล่นคืนเล่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างเอาเรื่อยเอาเรืยเล่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกทั้งจิตมันแนวจริงๆที่นี้ก็ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักอันนีอพ่อแม่คอาจารย์ท่านผดีมเพราะท่านเราท่านเห็นเมื่อเราเป็นคนมีอย่างไรวดทุนบุญอย่างไร การแสดงท่านจริงจะจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้ยังอย่างเพรียงกไม่ให้มากเดี๋ยวผมจะทาให้คุณสุดๆนี่อ่อนแอกาะยกลเกลียดเหมันกลับม้าม้าตัวมัคึกขนองตัวมันผ่าโผลดโมเต็ต ง, มมงต้องทรมามันอย่างนะซาตนายซาตินต้องทรมารอย่างไม่ควรให้มันกินยากมันไม่กินเลยจัด ต, ต้นน้ำ เป็นกว่ามันอ่อนกำลังมันอ่อนกำลังลยยอมรับการผลิตของเราแล้วก็พอรใหม่มันจริงยากอะไราเป็นการเป็นงานเนี่เราก็ไม่ทรมานทรมานไปหาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานเนียการรักษาการร ม, มัดระหวงางกัน บำรุงมันไปเวลาต้องการจะใช้ประยอะไรก็ช่เยมีจิตเวลามันกำลังคลึกก็นอนมันผักผลหมดเต็มก็เอามันยังหนักตับมันทั้งอาหารมั น, มนกินหลงอาหารทำหักสองแยกสองอย่างนะอาหารโดยธาตขันงเมีอาหา ร, ท, าหารที่เป็นพิษตับ น, นะฮะ ม, มันไปยุ่งมันผุดมันเคียรกั อันนั้นท่านก็มาพูดเป็นท่น ün, านนั่งตลอดรุ่งบ่อยๆเล่าถวายแล้วเพราะนั่งตลอดรุ่นวันไหนแล้ววันหลังต้องไปล่ถาถวายกันเพราะมันมีของอัศจรรเราไม่เคยทราดเรานั่งตลอดรุ่นเอาเป็นเอาตายเาว่าทีไรมันเกิดความรู้จักทุกขืนไม่เคยพลาดเลยเพราะเราถึงจ อ, อมตายเพราะเราจยัดเห็นของอัศจนรย์นั่งภาวนาธรรมดามั น, น, มนไม่เกิดความรู้จักในขนาดนั้นมีเกิดความรู้กันด้วยปัญญา เวลามันเป็นตอบมมีความสลาดสามารถที่จะกุดคนสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยคือสาระขนมาทั้งจิตนี่จิตทั้งทํามเพรจะเ่านเหนรอนบอกเขาบอกว่าที่เหลือมันไม่อยู่กับกายมันอยู่ในจิตแต่กายมันเป็นเครื่องเสริม สร้างกายเป็นเครื่ อ, มอเมน้ำเวลาหนักก็หนักมือสมควรที่จะขวัญหนักขวัเบา ก, กันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทายยําไปเนี่ยนะให้หนักที่ทุกเวลาธรมาทุกเวลาร่างกายปวบช้ำเพราะจิตที่เหลือไม่อยู่กับกายที่เหลอคือต้อจิตเมื่อจิตสงบ เมื่อติดเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกความเปลี่ยนประเภทนั้นให้พอหมาะสมและพูุทนขณะเราก็เข้าใจทำให้คุ่งมากขั้นคุนำเพราะกวเราจะอ่อนแอหลจากนั้นในปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุอยู่ น, น, นะนั่งได้นขนาดเจ็ดปดชั่โมงแล้วกั่วโมงแปดชั่วโมงสี่ห้าโมงถือเป็นรรมดาแปดชัวโมงก็ ไม่เคยนั่งตลอดรุ่นเหมืนนั้เพราะนั้นปีนั้นเอานิ่งใหญ่หลังนี้มาแล้วมันมีเป็นเรื่องปัญญาปัญญาม น, นอนไม่นอนนั่งไม่นั่ ง, งมันเป็นเร่งหมือนกิ้วเนงานงานทั่วงานมากที่งานหนักมากท่านปัญญา ม, ารรมีแต่งานธุงกิจล้วนๆพิารณาแต่มันมีช่องทางพิจานณา เป็นงานผู้ใหญ่ที่รู้จักงานรู้จักวิธีทำเป็นอย่างมันยากเพานั่นแหรู้จักวิธีทำน่าเหมือนการฝึกปิดเพื่อเป็นสมาธิที่มีเราไม่รู้จักวิธีเลยเบืนตาตแต่นั่นจนทางด้านปัญญาเราพอรู้เรื่องเพราะปัญญาญาณหนาันงก็เคยแก้ไขกันได้ในแง่ต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยไหนมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้นเอาจนได้ทพิจารณาเหตุผลเทียบเทียมกัน ไดุ้กประทุผลเนสิตง น, นันมันก็ตกไปตกไปเรื่อยๆมันก็เชื่อความรมานตกไปเร่ยพราะปัญญาพิจารณาอะไรมันยิ่งมีความเคร่งเครีมีความเฉลียวลัดปัญญาโอเคนี่เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่าทาเรียกว่าอัตโนมัติจนกรทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณานัา้นก็หมดทาร่ามปัญหาไปเองทีปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกียวนั่นแหละปีมาเลยีาปัญญา ถ้าเราจูดำหลกทำเนี่ยเทียบกับท่าบริการเนี่ยแต่นี้เราไม่จะพูดเป็นการอาดเยื่อมากไปสูงายทําไปเพราะว่าเป็นสติปญญาเทโลมัติท่านั้นพอแล้วกับกลุ่มของเราเพราะสมมติถ้าเถิดตั้งมันมันชื่อจริเป็นยังไงก็พอไปจับกัตใจของเราแล้วีพอนผ่านนันไปแล้วเพราะว่ามีสติมันก็ไม่ถูกหรว่ามีปัญญามันก็ไม่ชัดพาะไม่ไปถือสติปัญญาเป็นตเปนทัน แม้แต่จิตยังไม่ถือว่าเป็นตนอยู่ทั้งตนเราจะไปถือจะถือปัญญาของเาหรเมืลได้ยเป็นหลักธรรมชานแล้วเป็นอย่างนั้น่ามีสติก็ว่าดไปนั่นบามีปัญญาก็วาไปนั้นไม่มีมันไม่ไม่ถูกทั้งสองกัตตสียาเขาสติก็เป็นสียาเป็นสมมุติปัญญาก็เป็นสียาเป็นสมมุติคือเป็นเครื่องมือแค่กิเลสในนาที่เดสขึ้นไปแล้วเป็นอะไรปัญญาเป็นเครื่องมือทําำหลับใช้ทำประโยชน์ เ้องะมันเป็นสมดด้วยกันทุกส ม, มุทัยนี้รุ่มา ก, กมเป็นส ม, มุดทั้งนั้นเป็นทางก้าเดินทั้งหมดทุกการปัญญาทุกที่เหยียบทุกการนั่งอย่างเี้หรือถอนส ม, มุทัยด้วยมากเนี่ยนี่รุ่ผมเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมันความนงับดับทุกมันก็ดับไปเรื่อยๆปัญญาถอนถอนเจเิญประเทศใดได้กันมากน้อยเพียงไร มันก็ดับทุกไปเรื่อยๆเพราะพรกิเลสซึ่งเป็นสารหตุเกิดทุกมันดับไปกิเลสประเภทพพพพพพนั้นดับไป ท, ทุกที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั่งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสดับทุกภาในใจไม่ดับหมดมากก็หมดปัญหาใไปถ้าติปัญญาที่ยวมรรคสมาติจิตสมาธิมังโมทิงสมาสมาธ เพออย่างนี้อย่างทีสติกับปัญญาที่ทํางานหนักที่สุดนี่นก็หมดมันหาไปมันในหมุนขึ้นทิ้งอย่างที่เคยเป็นส ม, มุนหาอะไรก็ต่อสู้การนั้นก็ต่อสู้ค่าสึกเมื่อค่าสึกมันลาบไปแล้วมัไปไต่อสู้กับอะไต่อสู้คนตายมเกี่ยวเลยตายแล้วยินอยู่นั่นมีงอย่เลยเพี้ยก็ถึงมาบอกนี่ การสู้ก็เม่อก็หมกต่อสู้ อ, อ, อ, ส อ, ะอะไรก็หมกการตุ้มตุ้มปากนี่เกิดตัวอะไรอืมอืมยังเงียบเงียบปีิริยนอกจากพอมีเดตมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมุติที่ถูกเขากล่าว ห, หาหรือฟ้องร้องดังช่างพุญการดังทัพทัพบร ร, รบุตรเป็นต้นต้องหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นข้หาประิดปริดกับผู้พิจาีหรือว่า ทั้งที่ท่านเปิดประหารเนี่ยพระทวมารณบุตรท่านเป็นประหารนั่นเป็นเมรุเนี้อนนวิทยาทรงยกทรงมุ่นี้ขึ้นรับการมงผู้ฟ้องล้องโผมึงผู้ทรงนี้ใส่โรงไม่ต้องนี้ใส่ยากพระเทวมารณบุตนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรแล้วมไม่อยู่ในถ่ายที่จะแผนการฟ้องร้องอย่างนี้ คำวสติสมบูรณ์แล้วคืหอหมายถึงคำว่ากินบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากสมมุนี่โดยประการทั้งปวงนะครับการฟ้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องขอสมุติหาประมาณไม่ได้คุณณ์หน่ายธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวเลยคุณเข้าไนไม่ได้คุณณ์หน่ายคุณอย่างนี้แต่ตำราบอกท่านนี้เป็นมีสติเป็นสติวินัยอย่างกว่างเอาที่มาลาดเป็นสติวินัย เพราะอันนันก็เป็นถึงมือขอการฟ้องร้องก็เป็นถุงมือสติวินก็เป็นถุงมือทำต้านทานกันปลดเครื่องเอาฟ้องความปัญหาในทานนั้นด้วยสติวถ้าไม่มีอะไรที่สมมติเข้ามาเกี่ยวข้องนะท่านก็ไม่ไม่ได้ว่าถ้ามันยกขึ้นมาแม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารเองก็ดีท่านไม่ได้สําคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติ และความขาดสติท่านดูความจรินเท่านั้นงความจริงโดยหลักธรรมชาติถ้าเราจะว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผลอสติมันก็พูดไม่ถูกทังนั้นเนี่ยเพราะอันนั้นไม่มีอะไรวิสัยอันนี้มันเหนื่อยอันนี้แล้วอาให้ปฏิบัติเลยการพูดเหล่านี้ไม่แน่นอนเหมืนว่ามาจากมัชฌ ม, มาปฏิปทาน อันนี้แหละเป็นเครื่องย่างเอกที่เหมาะสมสู่กับการฆ่าที่หลือดทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชชิมาปฏิปทาที่ผูย่อสมไว้ในนี้มีของมัชชิมาฝางดิษมีเรียวมีแหลมไปในมีต้นมีปลายไปไหนถ้ามันกลางมันก็เหล่านะเหมาะสมต่อการแก้ที่เดือดทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานํามาแก้ในภายในที่เดือมันก็ต้องตายจนเดียวท่านพุทธเจ้าท่านพุทธการ กิเเป็นประเภทเดียวกันทั้งประการเครื่องมือแก้กิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันขอให้ความเทียมเป็นประเภทเดียวกันเถอะสำคัญที่ความเทียมที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้กิเลสมันไม่ยิงเลยอาวุาจะดีขนาดไหนถ้าเจ้าของมันยกขึ้นไปท่านมันก็ถูกประโยชน์ มันต้องอาศัยความเปลี่ยนหมุนมันลำไยความทุกข์เพราะความเปลี่ยนไม่ได้เป็นเครื่องกดทวนจิตใจมันรับความลาบากลงบนนอกจากมีส่วนร่างกายกันแม้จะลําบากก็ลําบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นนายไปเมื่เขาชกมวยทำบุเดทีก็ถึงขั้นกระโดดกระไหลเนยังเขาเป็นคนกล้าหาญต่อสู้กัน นี่เราก็เป็นนักรบยู่ศี่สถาพตรไม่เคยทรงสังอนนั้นลุกศักยบุตรของพออระองค์นั้นให้ท้อถอย อ, อ่อนแอให้ล้มยันลายตายตเพราะกิดลสตั้งหานไมน่นอกจากเอาให้กิเลสมันตายหายหน่อนั่งอยู่ที่เด็ดตายอยู่รอบข้างยืนอยู่ที่เด็ด ตอยู่รอบข้างโดยการคิดนานโดยการสังหารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนก็ดีเว้นกระดับนั่นห็นที่เดินดไปที่ไหนเั้นที่เดือดตองไปไหนทางที่เดือดเป็นเป็นเป็นตัวไปบนที่ไหนเหยียบไปทราบของสบที่เด็กแต่ความนี้เหยียบเราอยู่เหยียบเรามาผี่พบผีชาติพบชาติเรายิ่งมากกว่าที่เด็กที่ที่เด็กดฆ่าเราให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายผีพบผี่ชาติมาแล้วเรานักงได้หรือเพียงเราคนเดียว ความเผื่อต้งเราคนเดียวในนั่นพมนีนนนนน่มันก็นั่นมไม่ได้เย้มากไม่มันกิเลสมันไม่ได้มากขนาดนั้นอยู่ในหองใจเราเราทำไมจะฆ่ามันไดมันตายเผื่ออยู่ตามไป่เราตอ ง, งเพราะความเขียนนเอือบท่างต่างมันมีแต่เอือบที่ฆ่ากิเลสมันกิเลสหมดไปแล้วหมดเท่านั้นแหะทุกถ้ามาจากไหนทุกมันมีแต่ทุกในขนนนันเท่านั้นเองรุนละคล้ายนเรื่องรับทราบไม่เฉยที่จริง มันย่อมมีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนแล้วความบอบช้ํามันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นวิสัยของส ม, มุทเรื่องความทุกข์แล้วเข้ากันได้ยังไงส ม, มุทจะเข้าไปเห ย, ยียบย่ำทําลายจิตของประหาลาดไม่ได้ไหมมันจะมีสุตแค่แค่นี้ยิ่งเรียกว่าพราหะเป็นจากขันา์ฐานขันธห้าเป็นพราหมณ์หนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอี้ ภาระกันหนักไอ้เอกิดยีนาก็เห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาดำเดนินก็ก็เป็นภาระอันหนึ่งเป็นภาระอารมณ์จักรันธ า, าประเภทหนึออ้งเวลากินได้ผ่านพน้นไปแล้วภาระอารมณ์จักรันธ า, าประเภทคือต้องมีความรับผิดชอบตลอดไปจนกระทั่งถึงวันวานสานิาชีพผาจิ้มพานอนพาขับตาผ่านพาเดินนั่งไปล้วนแน้วแต่้ายุงขันป ร, ประคองขัน เล่นกับขันรักษาขันรับปิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีมันมีจะไปเลยไปยุ่งไปเหยื่อวุ่นวาแต่ได้รักษาจิตจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้สมารถะวังรักษาไม่มีอืเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังถ้าเราต้องฟังอืมการฟังกันรับทราบจากการฟังเป็นถ้าจุบิญญาณมันมันก็เป็นสมมุติมันตากิขึ้นม า, าพร้อมดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่จิต น, นั้นตากิขึ้นมา ที่นั่นดับไปความรักลูกก็รักชาตมันก็ดับไปดับไปดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะคืน่าติเข้าไปเหยียบย่ำธรรมชาตจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั่นไปเลย <c oughs> นี่มีเท่านี้โยคะลาาเวนเดิดความรับผิดชอบอถึงกันนี้แล้วพิจารณาโอะเป็นภาลัยมันมีได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั่นสอนให้หญ น, นโพูด เพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มันถึงมันในขัน่เห็นโทษเห็นภัของมันภาระเเป็นจากภาระขันห้าขาระอนาจทั้นองภเขาทั้งนูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันห้านี่มันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักกว่าภกเขาตะอีกนะต่อเห็นโทษไปพิจารณาแยกแยกดูส่วนต่างๆของมันของขันมันนี้มีอะไรนที่นารู้เห็นมีสาระอะไรเห็นแก็ไป ไปแบบไปหามันของหนสาระจรใช้จเราก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วยเนี่ยนี่เวลาพิจารณาหินตามความหิงเนี่ยหินก็ถอนตัวออกมาด้วมาำดัลําดับหินก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลํำดับจากการถอนนัวผ่านโดยลําดับมาแล้วนั่นถอนเต็มที่แล้วจะเป็นมหาสาระมันเป็นพระราหู เป็นกักรัตาขั้นขั้ น, นปฏิบัติพอผันมาแล้วก็เป็นพภาระเวรปจักันต า, า, าด้วยความับผิดชอบพระทำดังกระผิดชอบไปจนกระทังมันไปผ่านระเดินจมกรมนำหพุองคาเพื่อเป็นวิหารธรรมในที่จะทำเลาเป็นอยู่ว่ารักษากันไปในระหว่างขั้นแต่พอเหมาะพอสมอันนี้เรียวกว่าเป็น ย่หาทรรในทิฏฐธรรมเป็นความอยู่สบายในระหว่างขันธกิเพออันี้หมดปัญหาไปแล้วพออันี้สลายจางไปแล้วที่นี้หมดคําว่าภาระเลยเปันจากขันธ์ฐานอันเป็นกองสมมุติใหญ่รอบตั ว, วเราแตกหามเลยอั น, นหมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีถ้าเราจะศูญก็ไม่สูญให้คิดให้เสียเวลาขอคว้ามันเธอบรรสุทเธออีกหนึ่ง ถาจะไปชี้เสียเวลาว่มันอยู่กับตัวแท้ๆนู่นอื่นๆจะไปศูนย์ไปที่ไหนไปหาตะครุบะครุบเงาที่ไหนเสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้วได้ตัวมันยิ่งําพันยิ่งกว่าได้เงาเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงเราเห็นตัวจริงพานักจิตลองดิเมื่อเห็นแล้วนิพานเป็นยังไงไม่ต้องถามถามไาทําไมนิ่านศูนย์ยังไงศูนย์ยังไงตายแล้วเกิดแล้วศูนย์ถามไปทำไมเสียเวลา ตัวก็อยู่ทั้งขางตัวก็อยู่กับเราเนะี่ยทำห้าตัวที่นั่นอีกสูงนี่ไมาสูงจิตไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตแนะ่เมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิแห่งความรู้แล้วทําไมจิตจะไปสูงใสยเรื่องสิ่ง น, นี้พอที่จะมาคิดมาปรุงมันไม่มัมนเข้าไปมาาไม่ได้การตั้งตั้งแต่เวลามันอยู่ด้วยกันก า, ารอลรมสั่งสอนนี่ก่อน ครูบาอาารนั่งหลายแตเหมือนเหมือนกันนะผมไม่ได้ประมาทดูถูกครูบาอาจารย์นั้นหลายเพราะผมก็เคยเป็นผู้น้อยมาเหมือนกันตาครูบาอาารนั่งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจงไม่อยากอยู่หรือประการหนึ่งเค่คําพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งอืมมันมันก็ทําให้แถลงตาแถลงใจเหมือนกันเวลาจะหมอบรากก็คือษป่ตาตั้งใจ เพราะแม่โคจรมั่มันหมอบอราบหมดเลยทั้งทั้งที่เด็ดมีอยู่มันก็หมอบรากคือหาที่พานมาได้หาที่แย้งมาได้แล้วพอจใจความเชื่ออย่างทุกอย่าง น, น, นี่แหละครูจังมั่งอืาได้หลักยึดจะสอนทิ้งเหตุทิ้ออ ง, งผลทิงหลักทิงทั้งตามความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริง น, นี้มาสอนตามขัน้นจริง ของ ผ, ผู like ้มาประปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นผุ้มนั้นอืผู้ฟังก็ถึงใจถึงใจถึงใจเพราะผู้สอนสอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนมันจะดีไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทศใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเทศใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเทศใดรู้แล้วทั้งหมดรู้แล้วทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้น่ะ อย่างพระพุธทธเจาทรงสอนกับโลกที่ว่าแปลงมือสี่พันธรรมขันธ์เพียงพอประมาณเท่านั้นแลหละอย่งที่ได้พูดไว้ใน เ, เรื่องการันปัญหาในเกี่ยวกับพุ่งรินั่มเหมือนกับน้ำในตุ่มเรายอมรับทันทียนหวังทำเกินเรื่อยๆรุ่นเรื่อ ย, อ ย, อยไม่มีสิ้นมีสุดถ้าไม่ไม่ตายเสียใ น, นยงแง่ต่างๆมีประมาณเมื่อร่ เจ้านั้นมาจาร์ทั้งหมดมันโวจะว่าแต่หนรรยต่างๆนี้ไม่ทราบว่ากี่ล้า น, นเป็นยกไวเพียงประมาณท่านปุรตนามนยกไวพอประมาณดังนั้นมันจะปั้นเสือเลือกาลังอย่างภูกระดิมเอวันนี้นี่คือ่ประเทศพูแต่พูดแต่ครับธรรมญาอภิบา น, นี่ข้อครับ